พิยเทระกล่าวว่าทิชะนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดอาตมาภาพก็ฉันนั้นและคณาจารย์ผู้มีทัศนคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโผลงสู่สะใหญ่คำว่าทิชะนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดอธิบายว่า นกเรียกว่าทิชะเพราะเหตุใดนกจึงเรียกว่าทิชะทิชะเกิดสองครั้งเืยเกิดจากท้องแม่และจากฟองไข่จึงชื่อว่าทิชะเพราะเหตุนั้นนกจึงเรียกว่าทิชะฉะนั้นจึงชื่อว่าทิชะคำว่าละป่าเล็กแล้วฉันใดอธิบายว่านกละทิ้งล่วงก้าวล่วงล่วงเลยป่าเล็ก คือป่าน้อยที่มีผลไม้น้อยมีอาหารน้อยมีน้ำน้อยไปถึงประสบได้ป่าคือป่าทึบใหญ่อื่นที่มีผลไม้มากมีอาหารมากมีน้ำมากอยู่ในป่าทึบนั้นฉันใดรวมความว่าทิชะนกพึ่งละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดคำว่าฉันนั้นในคำว่าอาตมาภาพก็ฉันนั้น ละคณาจารย์ผู้มีทัศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโผลลงสู่สะใยเป็นคำที่ทำให้การเปรียบเทียบสมบูรณ์คำว่าละคณาจารย์ผู้มีทัศนะแคบอธิบายว่าพรามพาวรีและพรามเหล่าอื่นที่เป็นอาจารย์ของพรามพาวรีนั้นเปรียบเทียบกับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าชื่อว่ามีทัศนะแคบคือมีทัศนะต่ำต้อย มีทัศนะนิดหน่อยมีทัศนะต่ำตามมีทัศนะน่ารังเกียจหรือมีทัศนะหยาบอัตมาภาพละทิ้งล่วงก้าวล่วงล่วงเลยพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งมีทัศนะแคบคือมีทัศนะต่ำต้อยมีทัศนะนิดหน่อยมีทัศนะต่ำตามมีทัศนะน่ารังเกียจมีทัศนะหยาบมาพบคือประสบได้เฉพาะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้มีทัศนะหาประมาณไม่ได้มีทัศนะเลิศทัศนะประเสริฐสุดทัศนะวิเศษสุดทัศนะชั้นแนวหน้าทัศนะสูงสุดทัศนะยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเปรียบเทียบได้ไม่มีใครเทียบเทียมได้ไม่มีบุคคลผู้มีส่วนเปรียบเหมือนทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงองค์อ่านากว่านรชน ทรงเป็นบุรุษดุดราชสีทรงเป็นบุรุษดุดพญาช้างทรงเป็นบุรุษอาชาในาทรงเป็นบุรุษแกล้วกล้าทรงเป็นบุรุษรับภาระมีพระทศพลยานทรงมั่นคงพญาหงผึงไปถึงประสบได้เฉพาะสระใหญ่ที่มนุษย์สร้างไว้สระอนุดาหรือมหาสมุทรมีน้ำที่ไม่กระเพื่อมมีน้ำนับประมาณไม่ได้ฉันใด อาตมาภาพเคอปิงคียะพราหม์ข้อฉันนั้นได้พบพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าผู้ไม่วันไหวมีพระเดชนับไม่ถ้วนมีพระยานแตกฉานมีพระจักสุแจมแจ้งทรงฉลาดในประเภทปัญญาทรงบรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาทรงถึงจตุเวสารชยานทรงน้อมพระไทยไปด้วยศรัทธามีพระองค์ขาวผ่องตรัสพระวาจาไม่เป็นสองงมั่นคง ทรงมีปติญญาอย่างนั้นมิใช่คนเล็กๆทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงลึกซึ้งมีพระคุณอันประมาณมิได้มีพระธรรมอันอย่างถึงยากทรงมีรัตนะมากมายมีพระคุณเสมอด้วยสาครทรงประกอบด้วยอุเบกขามีองค์หกมีพระคุณช่างไม่ได้ภัยบูนหาประมาณมิได้ตรัสถึงมักแกผู้ที่กล่าวถึงพระองค์เช่นนั้นเป็นพระชินเจ้ายอดเยี่ยม เหมือนเขาพระสุมเมนเลิศ ก, กว่าขุนเขาเหมือนครุฑเลิศ ก, กว่าพวกนกเหมือนราชสีเลิศ ก, กว่าหมูมรึกเหมือนทะเลเลิศ ก, กว่าห่วงน้ําทั้งหลายคือพระาศาสดาพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระชินเจ้ายอดเยี่ยมทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าอาตมภาพก็ฉันนั้นและคณาจารย์ผู้มีทัศนแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค เหมือนหงโผลงสู่สะใหญ่ด้วยเหตุนั้นพระปิงกียะเทระจึงกล่าวว่าทิชะนกพึงละป่าเล็กแล้วมาอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากฉันใดอาตมภาพก็ฉันนั้นและคณาจารย์ผู้มีทัศนะแคบไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนหงโผลงสู่สะใหญ่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 ก่อนอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่อาตมาภาพอธิบายว่าพรามภาวรีใดและอาจารย์ของพรามภาวรีเหล่าอื่นใดอาจารย์เหล่านั้นเคยพยากรณ์เพื่อเคยบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจําแนกทาให้ง่ายประกาศหลักการของตนเพื่อความถูกใจความพอใจลทัทธิอธิยาศัยความประสงค์ของตน รวมความว่าก่อนอาจารย์เจ้าลทิทเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่อัตมาภาพคําว่าแต่ศาสนาของพระโคดมอธิบายว่าแต่ศาสนาของพระโคดมเพื่ออื่นจากศาสนาของพระโคดมก่อนศาสนาของพระโคดมก่อนกว่าศาสนาของพระโคดมได้แก่ก่อนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระชินเจ้า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 โดยการอนุมานโดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลโดยเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วรวมความว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆอธิบายว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆคือทำให้ความวิตกเจริญ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 ทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยความปรารถนามใีใครโดมินเจริญรวมความว่าค่าพยากรทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆด้วยเหตุนั้นพระปิงคิยะเถระจึงกล่าวว่าก่อนแต่ศาสนาของพระ โ, โคดมอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แกอ่อธรรมภาพว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้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 ทรงแผ่ราชมีพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษคำว่าทรงเป็นเอกบุรุษในคําว่าทรงเป็นเอกบุรุษประทับนั่งทําลายความมืดอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเพราะส่วนแห่งการบรรญชา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 มีพระเกษาดำสนิทดีเพียบพร้อมด้วยความหนุมชะกันในปฐมวัยเมื่อพระชนกและพระชนนีมีน้ำพระเนตรนองพระพักทรงกันแสงร่ำให้ไม่ปรารถนาให้พนวดทรงละหมู่พระญาติทรงตัดความกังวลในกางครองเรือนความกังวลด้วยพระโอรสและพระมเหสีความกังวลด้วยพระญาติความกังวลด้วยพระสหายและอมต ความกังวลด้วยการสั่งสมทุกอย่างทรงปรงพระเกษาและพระมศุทรงครองผ้ากาสาว ะ, สะเสด็จออกผนวดจากพระราชวังเป็นบนรรพชิตทรงเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความกังวลทรงประพฤติอยู่ประทับอยู่ทรงเปลี่ยนอิริยาบถทรงเป็นไปทรงรักษาพระชนมชีพทรงดำเนินไปทรงยังชีวิตให้ดำเนินไปตามลำพังพระองค์เดียว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 ปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นตามลำพังพระองค์เดียวพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จไปพระองค์เดียวประทับยืนพระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมพระองค์เดียวเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินธบาพระองค์เดียวเสด็จไปพระองค์เดียวเสด็จกลับพระองค์เดียวประทับนั่งในที่รับพระองค์เดียว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 ทรงละตันหาได้เป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นเอกบุรุษไม่ทรงมีเพื่อนสองอย่างนี้ไม่ทรงประมาททรงมีความเพียรตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวอยู่ทรงตั้งความเพียรครั้งใหญ่ณโนะคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาาทรงกำจัดมารพร้อมทั้งเสนาผู้ชั่วร้ายซึ่งกีดการมหาชนไม่ ห, หลุดพน้นเป็นเผ่าพันของผู้ประมาท ทรงละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัณหาที่เป็นดุจตาข่ายซ่านไปเกาะเกี่ยวอารมณ์สมจริงดังพระถาประพันธ์ว่าบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรที่มีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้แล้วรู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์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 จึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโทสะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษทรงปราศจากโมหะโดยสิส้นเชิงเพราะเป็นผู้ละโมหะได้แล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกุรุษทรงปราศจากกิเลสโดยสิย้นเชิงเพราะเป็นผู้ละเหล่ากิเลสได้แล้วจึงชื่อ <Kick> ว <Lady> ่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือสติประธานสอาริยมรตมีองค์แปดตราดเรียกว่าทางสายเอกสมจริงดังคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกลื้อกูลทรงรู้จักมรกอันเป็นทางสายเอกซึ่งเหล่าบัณฑิตได้ฆ่า ม, มาก่อนแล้ว จากข้ามและกำลังข้ามโอคะได้ด้วยมรคนี้พระผู้มีพระภาคเสด็จถึงทางสายเอกแล้วจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคประสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างไรคือญาณในมรคทั้งสี่ปัญญาปัญญีสีปัญญาภะละธรรมวิจยะสัมโพชง วิมังสาวิปั ส, สนาสัมมาทิฏฐิตรัสเรียกว่าโพธิด้วยโพธิยานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียมสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนาตาัตตาตรัสรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกในหนึ่ง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 พระผู้มีพระภาคตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาลำพังพระองค์เดียวจึงชื่อว่าทรงเป็นเอกบุรุษเป็นอย่างนี้คำว่าทำลายความมืดอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงทำลายคือลดละกำจัดทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความมืดเพราะราคะความมืดเพราะโทสะความมืดเพราะโมหะ ความมืดเพราะมานะความมืดเพราะทิฏฐิความมืดเพราะกิเลสความมืดเพระเามมพระทุจริตซึ่งทำให้เป็นคนตาบอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มียานอันดับปัญญาเป็นไปในฝ่ายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อนิพพานคำว่าประทับนั่งอยู่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ที่ปาสานกะเจดีรวมความว่า ประทับนั่งอยู่พระสาวกทั้งหลายผู้มีวิชาสามละมัจุราชได้นั่งห้อมล้อมพระมุนีผู้ถึงฟังแห่งทุกประทับนั่งอยู่ที่ข้างภูเขาพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่เพราะทรงสงดจากความขนขวายทั้งปวงแล้วพระองค์ทรงอยู่ในอริยวาสธรรมแล้ว ทรงประพฤจรณะธรรมแล้วพระองค์ไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคชื่อว่าประทับนั่งอยู่อย่างนี้บ้างรวมความว่าทรงเป็นเอกปรุษประทับนั่งทำลายความมืดอยู่คําว่าทรงรุ่งเรืองในคําว่าพระโคดมนั้นทรงรุ่งเรืองทรงแผ่รัศมีอธิบายว่า รุ่งเรืองคือทรงมีความรู้ทรงเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่าทรงแผ่รัศมีได้แก่ทรงแผ่รัศมีคือทรงแผ่แสงสว่างแผ่โอภาษแผ่แสงสว่างดุจประทีปแผ่แสงสว่างดุจคมไฟแผ่แสงสว่างรุ่งโรดแผ่แสงโชติช่วง รวมความว่าพระโคดมนั้นทรงรุ่งเรืองทรงแผ่รัศมีคำว่าพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริอธิบายว่าพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริคือมีพระญาณปรากฏมีพระปัญญาเป็นธงชัยมีพระปัญญาเป็นยอดธงมีพระปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้นมากด้วยความตรวจสอบมากด้วยปัญญาเพ่งพินิษ มีธรเป็นเครื่องพิจารณาอยู่ด้วยธรรมแจ่มแจ้งเที่ยวไปด้วยปัญญานั้นมากด้วยปัญญานั้นหนักในปัญญานั้นเองไปในปัญญานั้นโอนไปในปัญญานั้นโน้มไปในปัญญานั้นน้อมใจเชื่อปัญญานั้นมีปัญญานั้นเป็นใหญ่ธงเป็นเครื่องปรากฏแห่งรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งรัฐ รัสดาเป็นเครื่องปรากฏของหญิงพระโคโดมผู้มีพระยานดุภูริเขามีพระยานปรากฏมีพระปัญญาเป็นธงชัยมีพระปัญญาเป็นยอดธงมีพระปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้นมากด้วยความตรวจสอบมากด้วยปัญญาเพ่งพินิษมีธรรมเป็นเครื่องพิจารณาอยู่ด้วยธรรมแจ่มแจ้งเที่ยวไปด้วยปัญญานั้นมากด้วยปัญญานั้นหนักในปัญญานั้น เอนไปในปัญญานั้นโอนไปในปัญญานั้นโน้มไปในปัญญานั้นโน้มใจเชื่อไปในปัญญานั้นมีปัญญานั้นเป็นใหญ่ฉันนั้นเหมือนกันรวมความว่าพระโคดมผู้มีพระญาณดุภูริคําว่าพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุภูริอธิบายว่าแผ่นดินท่านเรียกว่าภูริ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 ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้มีพระปัญญาดุจภูริรวมความว่าพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริด้วยเหตุนั้นพระปิญยะเถระจึงกล่าวว่าพระโคดมทรงเป็นเอกบุรุษประทับนั่งทําลายความมืดอยู่ทรงรุ่งเรืองทรงแผ่ราษมีพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริพระโคดมมีพระปัญญาดุจภูริ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 ประกาศพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสติปัฏฐานสอริยมรรคมีองค์แปนิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ใดทรงแสดงธรรมแก่อัตมาภาพ คำว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาอธิบายว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาเชิญมาดูได้ควรน้อมเข้ามาในตนวินยูชนเพึงรู้ได้ด้วยตนรวมความว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาด้วยประการฉนี้อีกในหนึ่งผู้ใดเจริญอริยมรรมีองแปดในภพนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุ ประสบได้รับผลแห่งมรคนั้นในการทุกครั้งไม่มีลําดับอื่นขั้นรวมความว่าที่บุคคลเห็นได้เองอย่างนี้บ้างคำว่าไม่ขึ้นกับการเวลาอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายลงทุนตามเวลายังไม่ได้รับผลในการทุกครั้งยังต้องรอเวลาฉันใดทำนี้หาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดเจริญอริยมรกมีองค์แปดในภพนี้ ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้รับผลแห่งมาคนั้นในการทุกครั้งไม่มีลำดับเอื่นขั้นมิใช่ในภพหน้ามิใช่ในปารโลกจึงชื่อว่าไม่ขึ้นกับการเวลาอย่างนี้รวมความว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาคาว่าเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายอธิบายว่าคาว่าตันหาได้แก่รูปตันหา สัพพตันหาคันทัตันหารัศตันหาโพธภะตันหาธรมมตันหาคำว่าเป็นที่สิ้นตันหาได้แก่เป็นที่สิ้นตันหาเพื่อเป็นที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นขติสิ้นอุบัติสิ้นปฏิสนธิสิ้นภพสิ้นสงสารสิ้นวัตตะคำว่าไม่มีอันตรายอธิบายว่ากิเลส ขันและอภิสังขารท่านเรียกว่าอันตรายอธิบายว่าทำเป็นเครื่องละอันตรายเข้าไปสงบอันตรายสลัดทิ้งอันตรายระงับอันตรายคืออมะตะนิพพานรวมความว่าเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายคำว่าใดในคำว่าทำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้ได้แก่นิพพาน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 ตามพาวรีก <ly> ล่าวว่าท่านปิงเคียเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริซึ่งการชั่วครู่คำว่าเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอธิบายว่าเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากเพื่อออกไปหลีกไป อยู่เว้นจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรวมความว่าเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคําว่าปิงเคียะสิ้นการชั่วครู่อธิบายว่าสิ้นการชั่วครู่คือชั่วขณะหนึ่งชั่วระยะหนึ่งชั่ววัยหนึ่งชั่วช่วงหนึ่งรวมความว่าสิ้นการชั่วครู่คําว่าปิงเคีย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 อยู่ด้วยทำแจ่มแจ้งเที่ยวไปด้วยปัญญานั้นมากด้วยปัญญานั้นหนักในปัญญานั้นเอนไปในปัญญานั้นโอนไปในปัญญานั้นโน้มไปในปัญญานั้นน้อมใจเชื่อในปัญญานั้นมีปัญญานั้นเป็นใหญ่รวมความว่าพระโคดมผู้มีพระญาณดุจภูริคำว่าพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุจภูริอธิบายว่า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 เพียรพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทำลายกิเลสนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีพระปัญญาดุพูริรวมความว่าพระโคโดมผู้มีพระปัญญาดุพูริด้วยเหตุนั้นพราหมณ์พาวรีนั้นจึงกล่าวว่าท่านปิงคียะเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยู่ปราจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโคโดมผู้มีพระญาณดุพูริ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 เป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแก่ท่านคำว่าพระองค์ใดในคำว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแก่ท่านอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงบรรลุความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ในสัจจานั้นและความเป็นผู้ชำนาญในภะระทั้งหลายคำว่าธรรมในคำว่าทรงแสดงธรรมอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคตรัสบอก คือทรงแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทำให้ง่ายประกาศพรหมจรรย์ที่มีความงามในเบื้องต้นและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแก่ท่านคำว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาอธิบายว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลา เชิญมาดูได้หววน้อมเข้ามาในตนวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนรวมความว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาด้วยประการชนี้อีกในหนึ่งผู้ใดเจริญอริยมรรคมีองค์แปดในพบนี้ผู้นั้นย่อมบรรลุประสบได้รับผลแห่งมรรคนั้นในกาลทุกครั้งไม่มีลำดับอื่นขั้นรวมความว่า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 มิใช่ในภพหน้ามิใช่ในประโลกจึงชื่อว่าไม่ขึ้นกับการเวลาอย่างนี้รวมความว่าที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเวลาคำว่าเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายอธิบายว่าคำว่าตันหาได้แก่รูปตันหาสัทตันหาคันธตันหารสตันหาโพธพาตันหาธรรมตันหา คำว่าเป็นที่สิ้นตัณหาได้แก่เป็นที่สิ้นตัณหาคือเป็นที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นขติสิ้นอุบัติสิ้นปฏิสนธิสิ้นภพสิ้นสงสารสิ้นวัฏฏะคำว่าไม่มีอันตรายอธิบายว่ากิเลสขันธ์และอภิสังขารเรียกว่าอันตรายอธิบายว่าทำที่เป็นเครื่องและอันตราย เ <S an> ข้าไปสงบอันตรายสลัดทิ้งอันตรายระงรับอันตรายคืออมะตะนิพพานรวมความว่าเป็นที่สิ้นตัณหาไม่มีอันตรายคำว่าใดในคำว่าทำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้ได้แก่นิพพานคำว่าไม่มีอะไรอะไรเปรียบได้ได้แก่ไม่มีอะไรอะไรเปรียบได้คือไม่มีข้อเปรียบเทียบ ไม่มีสิ่งเสมอเหมือนไม่มีส่วนเปรียบเทียบไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้เลยคำว่าที่ไหนได้แก่ที่ไหนคือที่ไหนไหนที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่าทำใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้ด้วยเหตุนั้นพรามภาวรีนั้นจึงกล่าวว่า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 อาตมภาพไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระโคโดมผู้มีพระญาณดุภูริพระโคดมผู้มีพระปัญญาดุภูริสิ่งการชั่วครู่คำว่าอตตาตมภาพไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอธิบายว่าอาตมภาพไม่ได้อยู่ปราศจากคือไม่ได้ออกไปไม่ได้หลีกไปไม่ได้อยู่เว้นจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรวมความว่า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 ไม่มีครูอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะนั้นและความเป็นผู้ชำนาญในพระทั้งหลายคำว่าธรรมในคำว่าทรงแสดงธรรมอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคตรัสบอกคือทรงแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทาให้ง่ายประกาศพรหมจันทร์ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท้ำกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสติประทาน 4, สัมมตประธานสี่อิธิบาสีอิน 5, รีห้าพละห้าผูชงเจ็ดอริยมัคมีองคปดนิพพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแกอ่อธตมภาพ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 ตันหาขันธตันหารัตตันหาโภทะภะตันหาธรรมตันหาคำว่าเป็นที่สิ้นตันหาได้แก่เป็นที่สิ้นตันหาคือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นขติสิ้นอุบัติสิ้นปฏิสนธิสิ้นพบสิ้นสงสารสิ้นวัตตะคำว่าไม่มีอันตรายอธิบายว่ากิเลศ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 ทมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้ด้วยเหตุนั้นพระปิญคยะเถระจึงกล่าวว่าทมใดไม่มีอะไรอะไรที่ไหนเปรียบได้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่บุคคลเห็นได้เองไม่ขึ้ื่งกับการเวลาเป็นที่สิ้นตันหาไม่มีอันตรายแก่อัตมาภาพ